เขาถาม้นั้นเราก็เลยตอบเขาถามเขาเมื่อวานไม่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี่มีไหมปัจจุบันนับบัตนี้มีไห ม, นนนน ม, ไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นแล้วคืนวันนี้ก็มีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามี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 มันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลำดับเราจาได้เราไม่ลืมแล้ว ต, ต, ต, ต, ตอนบ่ายตอนค่าตอนกลางคืนตอนถึงปันบันุนในเช้าเราก็เคยเคยเที่ยมมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรจุดกันก็ยอมรับกันว่ามีานี่นก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่โต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 ผู้แบกถามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแห่งความหลงความจําไม่ได้มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจับสาเหตุของมันไม่ได้เป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จําไม่ได้ในเรื่องของตัวเลยหมุนตัวเองไม่ทราบจะไปทางไหนความหลงตัวเองจีิเป็นเรื่องรุ่มยากอยู่ไม่น้อยหลงสิ่งอื่นนันค่อยนั่งทั่วไอ้หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหา ผลมากระท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพระพุทธเจ้า ท, ท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สําเร็จนอกจากเรื่องจะทาคุณงามความดีเข้นมาโดยนับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่ธธพิจารภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจ ใจเป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลอยูตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความยุ่งเห ย, งยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นความดีถ้าไม่ไมใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความพุ่งพ่านวุ่นวายพิสายแสบต่งางๆต่างๆโด้วยหายนดหาสาระไม่ได้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 นําทําบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวห า, หาหลักยึดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกนแต่หาหลักเกณฑไม่ได้กลายเป็นเรื่องความเลี้วไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตลอดพบตลอดชาดมีแต่ความเลีวไหลทั้งๆ้งที่สะแสวงหาคิดว่าวุ่นขุนมัวไปหมดมันไม่มีสาระที่จะยึดทั้งจริงสอนให้ยึดสาระทำ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 มีเป็นขั้นหนึ่งคืขั้นสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนและพยายามทําจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลํำดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแนวเจริญแน่วจนมีควา ม, มทํานึทํานานกระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความํานาน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 งสร้างปัญญาต่างๆจนกระทั่งคํานึงคํานวณไม่ได้นั้นเราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นที่อะไรไม่เป็นที่เลกแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นที่เล็กเพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แต่ที่เล็มันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากี่เล็กก็สงบตัวเข้ามาเมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอัน เป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชัดเรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบคือในจุดเดียวกันทาจนจน่นานจะสอนให้วิจารณ์ทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไปว่ามันไปสนใจกับอะไร ในขณะที่ไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรบ้าง น, นี้ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อควรตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมีรูปเสียงสีโน้ตเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นคิดมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตก็มีความสงบหเห็นจิจแสดงตัวเอาไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใด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 ในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นโทษแห่งความไปสําคัญนันหมายความว่ามั่นถือมั่นของจิตในในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรเสียงสิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันจนกระทั่ง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 เป็นอย่า ง, งนั้นนนัมันจึงเกิดอุปทานความมั่นถึงมัน่นความรักความทางขึ้นมาเป็นที่เลสเพิ่มขึ้นไปอีกกว่าทราบทั้งความเล่หหลายของจิตจิตเมื่อทราบว่าตถุนิยมหลายแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะฝืนปิดไปยึดมั่นถึงมั่นก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมั่นถึงมันหาอะไรก็ได้พิจนารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็ น, นั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่วิธีคขี้คลาย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 ต อ, อยยังไม่มีอะไรเสียดายเข้ามาความกังวลทั้งหลายที่กิดเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดส่องม้าพลุให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วความัมสาดจะไปงมอะไรอีกเนี่ยปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปหมดไปนี่มันก็เข้าทำนองที่เปิดเทศท่านเอง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 ตัดสพานหมดที่จะไปสื่อต่อกับผู้เขเสียนเขียนเข้าลดเพิ่มฉันผั ก, ก, ก, กทั่วโลกดินแดงหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่เหลือแต่ความรู้ที่ตุงอยู่ยิยบยับยิบยัอยู่ภายในจิตนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโดนกระวนก็ไวยก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้น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 อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นภยัยสิ่งที่ก่อให้ก่อกําเนิดเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่องเทีอนยังมาตัดยงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนในลานี้มีเรียกับาคุ้ยเสียขุดค้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่ท้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสําคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สารโลก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 ทราบได้อย่างชัดเจนภากในติไม่อยากที่ว่าลงหน้ามีไหมหรือไม่ตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ำซ้ำากซากๆมาหยุดไม่พอจะไม่สามารถจําเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลําบากของตนในภพน้อยภพใหญ่หน้อคือตัวนี้ทีนี้ตัวมวล เข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิดดวงเดีย ว, ยวรวมกันที่นี่ทําลายกันที่นี่พอทําลายกันเสร็จเช่นนังไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลําบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี่ไม่มี่นรู้ได้อย่างชัดชัดเรื่องว่าโลกหน้ามีไหมมันก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้ ว, ลวไปไม่ได้ขาดกระเด็นไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่า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 จกนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปข้างหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแกภัยอันนี้ออกพิษออกนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยเริ่อโลกหนาโลกหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราะทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อให้โลกไหนอีกแล้ว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 ตัดขาดกันตรงนี้เรียนรู้กันที่นี่หนะาวกอราหาร์หารหัก็เรยียนรู้กันที่อย่างเต็มใจหมดปัญหาท่านเหล่านี้เป็นผู้แก้ปัญหาตกอย่างไม่มีสิ่งใดเหนือหร่อเลยพวกเราเป็นผู้รับเหมาในกองทุกขเป็นผู้รับเหมาในปัญหาแต่ไม่ยอมแก้ปัญหานี่จะกว้าต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จึงเต็มที่ทุ่งหัวใจ อะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่นักเข้าหัวใจที่แบบกองทุกแบ๊อยู่ที่หัวใจพราะเรียนไม่จบแบบ๊ดแต่ทุกพ่อความมุ่งความหลงเมื่อวิ่ชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทําลายสิ่งที่เป็นภายในทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วธรรมาไรพบกามาพบผูพบรู้ปรพบพ้อหมดมันอยู่ที่ใจการมาพบก็คือใจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรู้พบ รู้ว่าพบก็สมมุติสิ่งนั้นๆอยู่ในสามพบนี้ฝังอยู่ภายในจิตใจหมว่ใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้นออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โล ก, นโลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนไหนก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวโคงจักรที่มีภายในจิตใจไม่มีในที่อื่นไหน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 ถ้ามาแก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาออกไฟอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาเมื่อรักษาตัวแล้วนี่มันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสาหรับมวลศาสตร์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิขึ้นผมน่าจะขึ้นตรงนี้ ตายแล้วเปิดหรายแล้วสูญโลกหน้ามีไหมนรกมีไว้สวรรค์มีไหมเพราะนี้ปัญหาความนรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ที่เกียวกับตอบไม่ทราบจะตอบอะไรเพราะผู้แบบนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คุณมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบกันให้เสียเวลาระเวลาทำไมแก้ตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์แจ้เหตุหรือบำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ช่วยเสียควาทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกข์จุดแล้วมันจะผิดตรงไหนเพราะสวค้าทำสอนให้แก้ที่ถูกที่จุดให้มีผิดไงธรรมนิยานี้ก็ทําก็นําผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอํานาจแห่งความรุ่งโรงด้วยสวค้าธรรมนั้นดีแล้ว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 ละเอียดไปจนะทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมยุติลงด้วยความพ้นทุกข์ไม่มีเชื่อสีต่ออีกต่อไปมันก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถามว่าการแก้วความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนน่ถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้วความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่ง ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแย้งนอนซะดีหนะ่ามันจะตายแล้วนะ่ะตายอยู่บนหมอนแหว่งนะตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเกยียบย่ําทางานมันบังคับไม่ให้ลูกนีนั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแย้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันมันเพียรทําไปแย้ก็ลูกก็ ป, ปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะึนได้ ถ้ายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ท่าเดียวหรือจะเ<สา>รียกว่าแพหรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพอย่งนงไได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขามาได้ก็พอจะว่าแพ้คนมีแพ้คนนั้นชนะแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยเฉะไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดียวอย่างจะว่าไงแล้วไม่ว่าบอยจางเงอนของกิเลสจะว่าอะไรมันก็บอยอย่างนี้ จะเอานี้ไปแก้ที่เหลียมมันก็เป็นเสริมที่เหลียมใช่ไหมมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจกะไปไหว้ที่ตรงไหนใจก็มีดวงเดียวนอกจากจะแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุทางผลเราคิดรอบแล้วยากลบาบากเราก็สู้เหมืยังถอดหัวน้ําออกจากเท้าของเรานีเจ็ปก็ต้องทนถอดถ้าใจเราจะยอมให้มันปักจมอยู่นั้นมันก็จะเน่าแฟะไปหมด ทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสีย้นมาทั้งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เจ็บขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลทุกก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้าออกแล้วมันก็หมดพลิศชายยางไปมันก็หายไม่มีทางกำเริบอีกต่อไปเหมือนกับที่หัวน้ายังจมอยู่ในนั้นอันนี้ก่เลยก็คือหัวน้าเราดีๆนี่เอง แล้จะยอมันอยู่ตลอดเวลามันไปฝังจมอยู่นั่นน่ะเหน่าเฟะอยู่ในวตัฏฏะทุกสถานี่เแปลว่าไงถึงเราต้องการหรือ ว, ว่าเป็นคนเหน่าเฟะทำไมต้องการสู้ทิ้งทไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนะจนได้ถึงจะแพ้มาขีดขั้งก็าตามมีทางชนะในขั้นหนึ่งจนได้ พอชนะขั้งนี้ต่อไปก็คนะเรื่อยๆและชนะชนะชน ะ, ชนะเรื่อยไปเลยจนกระทั่งไม่มีอะไรสมัตให้เราต่อสู้มันหมดประตูตู้เอาชนะชนะอะไรชนะความที่เกียจ ด, ด้วยความขยันความ้นจากทุกข์นี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตาย มีแจ่ที่ลงใจมีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแจ่ที่สุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้แก้ที่ตรงนี้แก้ที่อื่นไม่ไม่มีทางแต่สําคัญนั้นหมายไปตั้งกับตั้งกันก็แบกปัญหาปาเปิดผาตาผทุกผาลำบากนั่นแหละมาทุกนี้ไม่มีบาปบุญนี้มีข้อสะเวยกันอยู่ทุกคนเฮ้อคำว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกข์่ยคำว่าบุญก็คือความสุข มันจะมีอยู่ในหัวใจในการของคนทุกค น, กคนแล้วปฏิเสธเป็นไปไหนนั่นเป็นชื่อว่าบาเชื่อบุญนะชื่อหวามสุขนั่นแหละถ้านให้ชื่อว่าบุญความทุกนั่นแหละที่มันคือาบาปผลของบาปผลของความชั่วนั่นก็มีอยู่ด้วยกันแล้วจะไปหาที่ไ้นอีกละโลกด้วยไหมทะรกก็ทามเถอะถ้ามันทุกข์เราอยู่ในหัวใจวแล้วใครอยากจะมาเกิดนี่มันรู้อยู่อย่างนี้จะไป ถามถึงหนึ่งนโลกนรกที่ไหนอีกมันเผายี่ที่ไหนมันก็ร้อนเช่นอย่า ง, งไฟขี้เราเนี่ยที่เขาคงไหนก็กี้เข า, ขขเขาีิมันต้องร้อนเหมือนกันหมดแต่ว่านรกหรือไม่านรกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกขันนี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟกี้ก็ยังรู้แล้วเราจะไปหานรกที่ไหนอีกแห่ร้อนยิ่งกว่าไฟนี้นะความทุกข์ก็รู้อยู่กับตัวแต่หาสวรรค์ที่ไหนให้มันเจอจะหนึะ่ะเจอความสุข ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแต่พื่อยังยิ่งความสุ้ทางใจนับถแต่ความสงบเงย็นใจขึ้นไปเดิมหลักจะมาทั้งตั้งหลักตั้งฐานทองจิตได้แน่หนามันคงภารกิจใจแน่ใจในตัวเองอยิ่งตอนนั้นเอาให้หลุดพ้นไปไปถามหาที่ไหนสวรรค์นี่ถานไม่จําเป็นต้องถามเรารู้อยู่กับใจของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นชัดๆรองกันอยู่แล้วเวลานี้จะไปหาที่ไหนอีกชื่องมที่ไหนเงา ได้ตัวแล้วก่อยู่กับตัวให้มีท่านั้นมั า, มากรเจ้าไม่จะหลอกคนให้ดูนั่นคำนี้เอาตัวจริงที่ตรงนี้สะการจะเป็นมจะไม่เสื่อเสือ